นโมจตสัพพะวะตูอรหะตสัมมาสัมพุทธสัมโมจัสัพะกวะตูอรหะตสัมมาสัมพุทธสันโมจัสัพะกวะตูอรหะตูสัมมาสัมพุทธสั ปุญญานิพพโลกัตถมิจฉาอัตตาหิอัตโนนาทโหโกหินาทโหโรหิยาอัตตาหิสุทันเตนะนาทังเราติทุนภันตีตีณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจัสดงยก็จะรำมิท <c oughs> <c oughs> ิสนา ในความเป็นมาของพระ อ, อนุรุธเพื่อเครื่องสดสง์องคศรัทธาบารมีเป็วันดาตพุทธาสาสนิยคชนนั้นอยที่มาเป็นเพียงคนในวันนี้สำหรับวันนี้ตรงกับวันที่14บสกรกฎาคมสองพาร้อยเป็นวันนักค่ายขึ 45, ้น15บห้าขั้นเป็นแเราก็เรียกว่าวันจะเข้าพรรษา บางวัดก็เข้าพรรษาวันนี้บางวัดก็เข้าพรรษาวันพุ่นี้ศาสนารับวัดท่าทสงเข้าพรรษาวันนี้เป็นว่าวันนี้บรรดาท่านพระตุภีรสั์หลายทำบุญในสงสารประการด้ยกันคือหนึ่งถวายเพลยเข้าพรรษาสองถวายผ้าไตรหรือผ้าวัดสิคราชกับบรรดาวพระสงค์ ทั้งสองอย่างนี้มีอานิสงส์ไม่เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างแรกคือถวาย เ, าา เ, เทีนเครืศีลญาจะเทศวันนี้สักอาิสงส์ถวายผ้าตรายญาติเทศวันพุ่งนี้ถ้าวันนี้ไม่จบ um เป็นนว่านเมืององค์มสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสถิตอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร องสมเด็จพระจิตตมันบริมสาสันดาสัมมาทัสสะเจ้าของพระรบพระอนุรุตความจริงพระอนุรุตเนี่เป็นพระอนุชาขององสมเด็จสมมาธรรมบุตรเจ้าอนุชานะไม่ใช่อชานะอนุชานี่ก็แปลว่าน้องอาชาดรมาเป็นน้องพระพุทธเจ้าก็ว่าเป็นลูกของอ้า ในตระกูลนี้มีสองคนคือท่านมหานามหนึ่งคือพี่ชายสองพระนุรุตในสมัยเมื่อพระพุทธเจ้าสมรู้อริยเศสสมาธิโพธิญาณแล้วท่านท้าวมหานามก็ปรารภ ก, กับน้องชายเวลานั้นท้าวมหานามเป็นมหากระสัตว่าตระกูลอื่นเขาก็มีคนบวชกันหมดแล้วตระกูลของเรายังไม่มีใครบวชถ้่งั้นขอให้น้องเป็นพระราชาต่อไปที่จะบวช พระนรุ์ก็บอกว่าการเป็นพระราชาทำยังไงเวลานั้นพระราชาต้องทาอํานาเหมือนกันก็ต้องเลี้ยงทหารเขาบอกว่าตอนต้นปีก็ไถานานแล้วก็หวานพอนปลายปีก็เกี่ยวข้าวเข้าวฉางต้นปีไถานานแล้วก็หวานปลายปีข้าวข้าวฉางแบบนี้เรื่อยไปตลอชีวิตพระนุรุตถามว่าเองการทํานานีไม่มีการเลิกการทานาเรานเลิกไม่ได้ อ น, นุท์ก็บอกว่าทายรันพี่อยู่เถอะฉันแยวบวชเอง <c oughs> ก็ไปชวนพื่อนอีสี่คนบวชเมื่อบวชเข้ามาแล้วเรากฏว่าอนุท์เจริญพระกรรมฐานไม่ช้าไม่นานนักวันข้าวป็นสาววันนี้ได็บรรลุอารหัตผลพร้อมไปด้วยทิพยคุยญานเป็นพระวิชาสามตอนมาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สรงตั้งมนุษย์เป็นผู้เ ล, ลิศในทุกขยันหมายความว่าพระอาหารหันต์นีม่มีสามีสี่ชั้นแต่กิเลสเป็นเหมือนกันในความสามารถไม่เท่ากันคือหนึ่งสุขวิปะสสโกแต่กิเลสได้แต่ไม่มีจิตเป็นทิพย์ไม่สามารถเห็นทีนดอกสวรรค์ได้สองเตวิโชยานี้สามารถมีจิตเป็นทิพย์ จะเห็นสวรรค์ได้จะรกได้เปลี่ได้สูงกายได้ห็นอะไรก็ได้ก้าเสามารถเลือกชาติได้สี่ชล้นสามชั้นกินโยสําหรับหมดนี้เหาะเหินอากาศได้แปลงได้นิรัยถ้็เราสี่ไปสันติราพประตูไปสันติญาณมีความฉลาดมากเจนั้นสําหรับพระนุรุธเป็นพระหันขั้นวิชาสาม แต่ความจริงพระวขันทวิชาสานนิการจริงจะต้องอ่อนกว่าทุกอย่างตอนกว่าเกิโช์อริยญาอาริญาณโหจะอิจาิโยอริยญาณโหแต่ว่านี่ท่านเข้มแข็งในด้านที่ปุญญาจะพิสูจน์ได้ในสมัยพระองค์สมเด็จพระพูทมีพระพากเจ้านิพพานวันนั้นเวลาที่พระเจ้าจะนิพพานวันนษย์เข้าฌานตาม ถ้าอารหันต์ตั้งสองแสนองค์ก็ไม่สามารถจะเข้าสานตามได้ไม่รู้จิตใจของพระเจา้าเวลานี้อยู่ที่ไหนแต่ฉันต์เข้านุดติดตามได้ถ้าโดนย่องขบถสกิจถามนลวงพี่เวลานี้พระเจ้าอยู่ที่ไหนปฏิพันธ์นได้ยังในขณะที่ท่านยังเข้าปฏิพันธ์ไม่เข้าสมาธิเต็นที่การเข้าสมาธิเป็นที่นทเ น, นี่ยบรรดาใจพุทธบริษัท บางทีเขาเนื้ก็หูวใจหยุดเต้นแต่ความจริงมันไม่หยุดมันเต้นเบาลมหายใจน้อยบางคนที่ว่าไม่มีลมหายใจท่านก็บอกว่าเวลานี้พระเจ้าอยู่ที่ชันหนึ่งบ้างชันสองบ้างชันสามบ้างชา้นสีบ้างในรูปประชานบ้างก็เลื่อนมาในในชา้นสีของรูปประชานนิพานตอนนั้นนี่คือเห็นว่าเข้อนุสที่ว่าเป็นผู้เลิศในที่พยานเลิศจริงๆ ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพระนุตองค์พระเดชพระจอมใจเปรยมัสดากล่าวว่าเขาทุ่งประวัตินะตอนนียังไม่ได้ผ่านท่านบอกว่าพระนรุตนี่ในสมัยช่านก่อนชอบทําบุญด้วยแสยงไฟก็อย่างที่บรรดาญาโยมพระตัวิสัตย์ทันไลยุชาเพียงเข้าพรานี่แหละยุชาเพียงเข้าพรราบ้างช่วยได้ก็แสไวฟ้าบ้าง เพื่อน้มันตะเกียงบ้างอย่างนี้เป็นต้นเป็นเรื่องให้เกิดแสงไฟเกิดแสงสว่างขึ้นพระนรุษชอบทำอย่างนี้ทุกวาระถึงปีที่เวลาเข้าพรรษาก็นำนนเทียนเข้าพรรษาไปถวายตามวัดพอาแล้วหลายหลายวัดเป็นการบูชาให้แสงสว่างดฉะนั้นมาชาติหลังที่สุดด้วยอั น, นิสงส์ถวายเทียนเข้าพรรษาแสงแสงแสงไฟ จึงได้ทกพยานเป็นเล่ยจบอาหารทุกองนี่เป็นบทตอนท้ายนะประว่าของฟ้านรุษนี่มีหลายตอนจะขอตัดเป็นตอนๆในเมื่อวันนี้วันพูดขงฟ้านรุษก็ขอย้อนต้นไปนิดนึงก่อนชาตินี้ขงฟ้านรุษเกิดเป็นคนแล้วก็เป็นคนจน เป็นคนเกี่ยวหญ้าช้างเขาก็หากดีปรากฏว่ามาวันหนึ่งเธอไปเกี่ยวหญ้าช้างทางบ้านเขากิกนข้าวเสร็จทั้งลูกทั้งเมียเขาจะ็บไว้โนหนึ่งพอมาถึงบังเอิญพระกัจจีพจระพุทธเจ้าเสด็มาวินดาบัดท่านไปยิงคอยก่อนแล้วคพระเจ้าพรุทธเจ้านจะมาหลังจากที่ลูกเมียกินข้าวแล้ว ก็เหลือข้าส่วนเดียวกือข้าวพาอนรุตสาเป็นสามีพานรุตเห็นพระเจพะุทธเจ้าเข้ามคิดในใจว่าข้าวอิ punch, ่มเดียวที่เรากินมันก็อิ่มไปเดียวเดียวตอนกลางวันก็ต้องกินใหม่ถ้าเราจะทำบุญก็พระพุทธเจ้าจะมีประโยชน์มากยังถามพันยาว่าลูกเมียกินข้าวแล้วหรือยังพุกคนก็บอกว่าเขากินหมดแล้ว ทาง้างจะถามว่าส่วนของฉันเหลือหรือเปล่าเขาบอกกันไม่ให้ก็ไปหยิบมาบอกให้เขาหยิบมาให้หมดธัญญาก็หยิบมาส่งให้ส่งให้ทั้งหมดมันก็ไม่มากหยิบเดียวท่านก็ไปถวายพรก็เจ้าพระเจ้าหมดใส่บาทหมดจะต้องว่าพระพเจ้าพระเจ้าเนี่ยเป็นพระเป็นพพุทธเจ้าชั้นที่สองจากสมสามาถพรพุทธเจ้า ตามธรรมดาพระมรบบารับบาทแล้วต้องกลับสถานที่ท่านก็คงจะทราบเรื่องมันจะเกิดขึ้นท่านยังไม่กลับเมื่อรับบาทแล้วท่านก็นั่งโคนต้นไม้ใกล้ๆบ้านนั่งกำแสงข้าวอยู่เวลานั้นปรากรวเทวดารัสส า, าสธิตประชัดอ า, าศัยฉัดกษัตริฐีเวลานั้นคนที่เป็นมหาเศรษฐีพระราชาต้องแต่งตัง้ง เศรษฐีมีฉัดสามชั้นก็แสดงตนให้ปรากฏเห็นเป็นตัวชั ด, ชดยกมือขึ้นโมทนาบุญที่พระอนุรธธรรมำทายาทวดีก็คิดในใจว่าก็ไอคนเกี่ยวญาช้างมันจะมีสตังสกิสตังทำบุญไอเราจะทําทำบุญมากกว่า น, นี้ทำไมเทวดาไม่โมทนาหาเทวดาอัติ ยังหันไปต่อว่าเทวดาว่าไอ้คนเกี่ยวย่าช้างมันทําบุญอะไรมากน้อยนักยังได้โมทนาให้กมันฉันทําบุญมากมายทําไมจึงไม่มีโอกาสท่านไปโมทนาเทวดาก็บอกว่าท่านทํามากเคียงแลแต่ว่า ท, ทุนของท่านมากทําเท่าไรมันก็ไม่หมดทําเท่าไรมันก็ไม่หิวทําเท่าไหรมก็ไม่อดตาย แต่ว่าคนเกี่ยวหญ้าเช้าในะเขามีข้าวไปอิ่มเดียวเขานําข้าวอิ่มเดียวไปถวายพระพัญญาต้องหูใหม่กว่าจะกินก็หิวชื่อว่ากระทมตัดชีวิตเ จ, าจ้าจิโมทนาก็รมีอันนี้สองใหญ่อันนี้คนที่เป็นนายก็ถือว่าเป็นนายก็คิดว่าในเมื่อบุญของเจ้าคนเกี่ยวหญ้าช่างมันมากเราก็ต้องขอบุญมัน จะให้คนไปตามมาเพราะว่าบุญที่เธอถวายพระเจ้พระพุทธเจ้าฉันขอใฉันเถอะอ น, นุรกษเกลบอกว่าเรนายก็านายเรื่องบุญก็บุญผมให้ไม่ได้จะเป็นไงก็าตามผมจะไม่ยอมให้บุญของผมผมทํำในความเหนื่อยยากขึ้นความหิวเวลานี้ยังไม่กินข้าเช้าเลยคนหิวอย่างนี้เขาก็ต้องการบุญเจ้านายก็บอกว่าเอางี้ก็แล้วกัน ให้ไม่ได้เขาแบ่งให้ได้ไหมท่านโู้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนถ้าเจ้านายจะขอแบ่งนะรอก่อนผมไปถามพระอาจาย์ก่อนถ้า ก, กลับไปหาพระปฏิพัติเจ้าที่กำลังนั่งชันข้าวอยู่ถึงกลาบแล้วก็ถามว่าวคุณเจ้าขอรับเวลานี้เจ้านายก็ผมต้องการบุญต้องการหมดผมไม่ให้ แต่เขาขอแบ่งจะให้ได้ไหมพระพเจ้าพุทธเจ้ากขาถามว่าโยมสมมติว่าโยมมีครบก็มีเพลิงมีครบด้วยแล้วจุดไฟไว้ด้วยนะเขามาเพงจุดไฟมีแสงสว่างหนึ่งอันต่นี้ชาวบ้านตั้งร้อยตัางพันตั้งหมือนตั้งแสนมีแต่ครบแต่ไม่มีเพลิงเขาต่างคนต่างมาต่อจากรครบของโยม ทุกคนก็มีแสงสว่างก็สว่างไสวามากถามว่าแสงเพลิงในครอบครองโยมมันหย่อนลงไปไหมอนรก็บอกว่าไปของคุณครอบเพิง ท, ท, ท, ทีแรกมันสว่างแค่ไหนก็สว่างแค่นั้นของเขาก็สว่างของผมก็สว่างเท่าเดิมท่านก็เลยบอกว่าบุญนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเราทําบุญแล้วใครเขาขอที่จะให้ใครก็ตาม ให้เขาโมทนาบุญของเราจะไม่หย่อนลงไปจะเต็มร้อยเปอร์เซ็นเสมอแล้ว่าเราจะได้เปรียบตอนที่มีเมตตาจิตได้อานิสงส์ไมตตายชั้นหนึ่งนั่นเสมอในเจ้านายขอก็ให้ได้บุญท่านจะไม่เสียมเพเือ่อไปอนุภรรดก็ไปกับอาจานั้นบอกให้ได้ก็เป็นอนุภรรดให้บุญเจ้านายก็โมตนา หลังจากนั้นมาเขานุ้ก็มีอยู่อย่างความสุขไม่ต้องเกี่ยวแย่ช้างขายบุญถ้าไม่ได้ขายจะแบ่งให้แต่เขาให้มีความสุขต่อมาเมื่อตายจากชาตินั้นตายจากชาตินั้นมาแล้วถ้าเกิดชาติหลังที่สุดนี้ชาตินี้นะถ้าเกิดเป็นลูกอาของพระเจ้าขณะที่ท่านเจริญกรรมาฐาน อยู่วันนี้วันที่ห้าค่ำเนี่ยเป็น บ, นบรรลุอรหันต์พร้อมด้วิชาสามเมื่อท่านบรรลุอรหันต์แล้วพร้อมได้วิชาสามก็นำมาไข่คนในใจว่ามีบุคคลใดบ้าน้อยได้เคยร่วมมงกับเราในดิฉะชาติเราจะสามารถช่วยได้ไหมก็ทราบว่าเจ้านายคิอชาพอดีคนก่อนมาเกิดเป็นลูกของเพื่อน เป็นลูกชายของเพื่อนอยู่จังหวัดโน้นอยู่เมืองโน้นท่านเปนไรนักเป็นลูกคนที่สองยังเด็กอยู่ท่านยึเหาะจากที่ตรงนี้ไปที่บ้านโน้นสมัยนั้นยังไม่มีวัดวัดหายากเพราเจ้าคนยากเลประจันปัญหาตามบ้านก็ได้บ้านมีคนก็ได้บ้านร้างก็ได้ตามสมน้งก็ได้โครงไม้ก็ได้ทิดทีไหนก็ได้การชอบใจในเปรญษา เมื่อทราบแล้วทาก็เหาะไปพอใกล้เขาจะเห็นท่านก็นลงเดินเข้าไปที่บ้านนั้นเพื่อนกันแนะนําบอกว่าวันนี้วันข้าววรษาครับยมุนจามัรษาที่บ้านนี้ก็แล้วกันเลื่อนอีกหลังหนึ่งว่างยมุนพักหลังนั้นอนุรกยอมรับในเมื่อพักถึงหนึ่งบรรษาเสร็จออกวันสาท่านก็นลากลับ เพื่อนก็บอกว่าผมจะมอบลูกชายคนโตให้เป็นลูกศิษย์ของท่านตอนนูนก็บอกว่าลูกชายคนโตท่านไม่ต้องการท่านต้องการคนเล็กถ้าเป็นธรรมบารเขาก็มอบลูกชายคนเล็กมาให้เอามาฝึกกรรมาฐานป ร, กราก็ว่เก่งกว่าอาจารย์นี่นะอาจารย์ได้วิชาสามแต่ลูกศิษย์ได้ปัญญาหกเก่งกว่า ไม่น่ากบเด็กนะเอออวิญญาหเดี๋ยวนี้เขาได้กันแล้วนะเด็กที่เชียงใหม่สามคนได้อวิญญาหกพระที่ด้านเนี่ยสงจะอายเด็กนะชาวบ้านไปเทรี่ยวขัดชาวบ้านเขาได้กันเยอะจิ่ต้านนั่งที่อาสงเนี่ยจะอายเด็กเด็กเล็ ก, ก, กอยู่วอรหกได้อวิญญาหกเขาออกมาเทียย่ยวเลยก็้วคืนวันซื่อนมันมา แค่ท้ามหาราชอนุญาตให้เข้ามาใกล้ตอนตีสามเ้าก็ซิกไ ป, ปเขาบอกเฮ้ยเงียบๆึงพ่อหลับเกเคยลืมตามาบอกฉันไม่ได้หลับฉันจะคอยขนาดแกท่าถานทำไมเพราะพวกเองมันสนเกินไปการได้ปัญญาของิญญานี่ไม่ใช่อาหารหันเป็นชานโลกีจะไม่สามารถจะคุกครองตัวเองได้ ให้สามารถจะกันโรกได้จะต้องปฏิบัติตนให้ดีให้เรียบร้อยมุ่งตัดสังโยชนอิญานี่เป็นเครื่องมือตัดสังโยชน์เพนจะได้อาหารเร็วขึ้นนั่นแหละคือสังคุณดีก็เที่ยวแบบนี้แต่เที่ยวชนไปน่นไปนี่ไปนี่ไปน่นเสียแปลงเป็นเสือบ้างแปลงเป็นหมาบ้างแปลงเป็นช้างบ้างแปลงวัวบ้างชอบเล่นสราเด็กนะถ้า ต, ตอนต้นก็ให้เล่นไปพักเงนก่อนถ้า ต, ตอนหลังๆก็ต้องปราบกัน ก็ไปวัาเน้นได้ปัญญาหกเต็งกว่าอาจารย์ถ้าไปอาาราัเหมือนกันก็โรงคลางบ้า ก, ก็อาศัยบุญเล็กน้อยมยาญาติโยมพุทธบริษัทถอย่าลือว่าพระอนุตันถวายไฟในพระศา ส, สนาไม่ใช่ไฟเผาวัดนะถวายมากไม่เอานะพ <c oughs> ะเดี๋ยวพาเดี๋ยวเทียนมันเล็กไปเอาไฟเผาวัดจะดีกว่ามันสว่างดีไม่ได้ดลงนรก ถวายไฟในพระธศาสนาต่อไปได้ตาทิศได้ม่กิดเป็นทิพี่เรกว่าทิพย์ปุญญาณและโดยเฉพาะอย่างนีงพระอนุรุตต์นี้จะอาศัยการถวายไฟมีความเป็นทิพย์ในจิตมากเป็นพระอินบ่อยที่สุดในระหว่างที่ยังไม่ถึงชาติสุดท้ายเป็นพระอินหลายครั้งนี่เพราะบุญบารมีการถวายไฟในพุทธศาสนา ไออินนคะครับเป็นเด็กาวละคนนะเธอเป็นพร้อมกันในมหลาหลายหลายคนโดยเวลาจนหมดไอยังอ่ะย่างไปหมดใชสิบนาทีตอนนี้บรรดาญาโยมพุทธวิสตัลไยนอกจากถวายเทียนแล้ ว, ว, ว, าาวก็จะถวายผ้าพัทธกษัสา์บ้างถวายพระใจบ้างตนนิ้เทศวันตรงนี้ก็ยาวอยู่ นอกจากนั้นก็มีการถวายทานอย่างอื่นทานทานนางสกุโสาทานนางพระพุทธเจ้าว่าทานให้เป็นบันไดที่เกิดบนสวรรค์เป็นขั้นต้นโดยเฉพาะอย่างยิง่งบรนดาลญาติโยมพุทธไวสัตว์ถวายสังฆทานสังฆทานนี่มีอริสงมากสังฆทานในวันนี้ญาติโยมถวายสอสองอย่างนะ หนึ่งสังฆทานแห้งสองทั้งสังฆทานสดสังฆทานแห้งหมายความว่านํำผ้าไตรนําของมาถวายพระนี่เป็นสังฆทานแห้งแต่สังฆทานหก็คืออาหารถวายพระถวายพระสงฆ์เป็นหมตัณฑ์สี่องค์ขึ้นไปเขจาจักเป็นสังฆทานแต่สังฆทานนี่ก็มีอานิสงส์มาก ที่องค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาษจากของตรัสว่าคนที่จะไหวสังขานรในขั้งหนึ่งในชีวิตต้องศรัทธาเมื่อตายจากชาตินี้ไปแล้วจะเกิดอีกกี่ชาติก็ตามคือก็จะเข้านิพพานคําว่ายากจนเข็งใจจะไม่มีสตหุนนั้นนั่นหมายถึงความว่าทุกชาติจะต้องรวยทุกชาติที่ไหนคำว่าจนนี้ที่ไหนไม่เกิดที่นั่น จะเกิดในแดนนี้มีความร่ำรวยมีทรัพย์ฐานถ้าจะต่อมายาเยนตด้อจะถวายววทานก็ตักษาสินอันนิสงของสินก็มีสารอย่างคือสีเลนสุขะปิงยันติการมีสินมีสุขเครื่องชาตินี้ละชาตินาสีเลนะโคกับสมุธา คนที่มีสินชาตินี้ไม่ฝึกเกินในทรัพย์สินชาติหน้ามีโดยมากสี้เล น, นั่นิพพุติยันติคนที่มีศินสามารถทำนิพพานได้โดยง่ายนี่อา น, นิสงส์ของสินที่มีญาติโยมปฏิบัติให้ธรรดาญาติโยมวุฒิบริษรัทจงมีความภูมิใจในตัวของตัวเองและนอกจากนั้นก็มีหลายท่านมาติดกันเทศติดกันเทศนี่เป็นธรรมทานโยม เขาว่าทรมทานไหมก็ให้ทําเป็นทานเขาว่าทําเป็นทานชนะทานตามพระอริยสัพพทานนางธรรมทานนางชินาติการให้ทํ า, าทเป็นทานชนะทานทุกอย่างหมายความทานทุกอย่างที่เราให้มาแล้วมีที่ส่งสู้ธรรมทานไม่ได้แต่วันนี้บรรดาญาติโยมผู้ใดก็ทําทุกอย่างแล้ว สังฆทานแห้งก็ถวายแล้วเทวทูตสังก็ถวายแล้วสินก็รับแล้วสังฆทานสดพระฉันก็ทําแล้วก็ยังมีการใส่กันเทศไปธรรมทานอีกธรรมทานนี่เป็นตัวปัญญาทานธรรมดาไปจะมีทรัพย์สินรวยมากศินเป็นปัใจจัยเกิดความสุขถ้าธรรมทานนม่ทำได้เหตุใ ห, ให้เกิดปัญญา เป็นะการมาเป็นกุศลของบ andas ญานติโยมหลายโดยทุ่หน้าในวันนี้ครบทุกอย่างคืนหนึ่งรวยสองร่างกายมีความสุขสามมีปัญญาดีเพียงเท่านี้ก็หมดเรื่องกันหมดที่อย่างจะดูในตาก่อนอในกายยามหมดคือกายยามหมดก็ไม่หมดทอนนี้ก็ขบ a n d a ญาติญาติโยมบริษัท ถ้าหวังผลในทานในศีลในธรรมทานที่ท่านทำแล้วก็จงจำลักษณะของทานไว้ว่าวันนี้เราจะถวายได้ถวายเพียงข้าวบรรสานหนึ่งเป็นจุดหมายสำคัญที่มีความสำคัญมากเห็นเหตุได้เกิดที่ปุญญาแต่การทีสอนถวายพระ ต, ตาหารถวายสงฆทานไดเห็นเกิดความ ร, ำร่ำรวย การทีสามต้องสาศินเมื่อเกิดที่มีร่างกายเป็นศพการที่สี่ถวายธรรมทานนึกไว้เวลาทุกคืนก่อนจะหลับนึกวันหนึ่งเราเคยถวายความวิสิกข า, าถาวายทิ้งข้าบรรษาเคยเคยเราธรรมทานศีลถวายสัสงฆทานเคยฟังเทศเท่านี้ก็พอนึกเพียงเท่านี้เราก็หลับไป ตื่นขึ้นชาติชาติหมดลึกหน่อยเดีก่อนจะไปทันทุระว่าเราเคยถวายเพียงเข้าพรรษาถวายผ้าเข้าพรรษาเราเคยมาทานศีลเคยถวายสงฆทานเคยจะฟังเทศประธรรมทานปิดกานเทศประธรรมทานเพียงเท่านี้ระดายญาติโยมพระสวัสสัตถ่าท่านทําทุกวันท่านจะหวนหวังสวรรค์ก็ได้กลบโลกก็ได้ในภายก็ได้ สุดแรกแต่ความตั้งใจของท่านถ้าต้องการหวังสวรรค์คิดว่าขอผลบุญท่าไหลายแล้วนี้ทั้งหมดจงบนไดาเขาจะตายจากความเกินไปเกิดบนสวรรค์ฉชนนั้นเชนนี้จะได้ทันทีถ้าต้องการพรมนิมนก ว, มมนนว่ า, อาขอบุญนี้ทั้งหมดจงบันดาเขาจะพทมจะได้ทันทีถ้าหวังนิพพานก็จะได้เช่นเดียวกันทั้งนี้พอะ ก, ก็บุญครบ คนที่ทานี่ครบเข้าที่ผ่านได้เพื่อหนึ่งทานเป็นปัจัยตัดโลภความโลภสองสินเป็นปัจัยตัดโทสะความโกรธสามภาวนาและฟังเทศเป็นปัจัยตัดโมหะความหลงมันค่อยๆตัดทีละน้อยแต่น้อยแต่น้อยตัวเราเองอาจจะไม่รู้ว่าความโลภมันหมดได้ยังความโกรธหมดได้ยังความหลงหมดได้ยังเราจะไม่รู้ แต่เร า, เาเค่อยๆตัดวันนี้เราตัดเต็มที่ไปทุกวันก่อนหลับเราตัดการนึกถึงการให้ทานนึกถึงการรักษาสาิ่มันตัดมันตัดปในตัวพอตื่นใหม่ๆจะเพิ่งริบไปไหนนึกนิดเดียวว่าเคยให้ทานเคยรักษาสินเคยฟังเทศเคยเยียรวนรณานะก็ตามตัดอีนิดหน่ ตัดบนไน้อยแต่น้อยมันจะหมดไปโดยไม่รู้สึกตัวตอนนี้เวลาที่ก่อนจะตายเวลานั้นมันได้ท่านพุทธวิสัชน์หลายคนก่อนจะตายในกิเลสไม่มีถ้าเรามีบุญนะถ้าเรามีบุญอยู่แล้วอย่างนี้กิเลสจะเข้าแทรกแซงไม่ได้เวลานั้นทุกเวลานัมันมาก ใครเข้ามาบอกว่าซัดปีหลังบ้านไห้ไปนขนสัดมันลุกไม่ไหวก็ไม่เอาแล้วไม่อยากได้ไอตัวไม่อยากได้เนีย่ยมันตัวตัดตั ด, ตดโลภะความโลภใครเข้ามาท้าตีก็ลุกไปขึ้นเขาสู้เขาไม่ได้เขาไม่อยากอยู่ตี่เ้าตัดตัดอิตัดความโกรธแนี่ใครก็บอกคนนั้นสวยคนได้ดีก็ไม่เอาแล้วมันจะตายอยู่แล้ว ลงเพอวเวลานั้นจิตว่างจากกิเลสเมื่อจิตมันว่างใจกกิเลสเอาศัยจิตที่เรานึกถึงวิญญาณเป็นอารมณ์ต้องนึกทุกวันนะหนึ่งเคยให้ทานสองเคยรักษาศีลสามเคยฟังเทศอายุ ย, ย่อเงี้ก็แล้วกันนึกถึงภาพไว้่คิดว่าขอบุญบา ร, รมีนี้จนธรรมดาเนี่นข้าพเจ้าขเข้าถึงนิพพานในชาตินี้ต่อท้ายไว้หน่อย เกียงเท่านี้ทุกวันแล้วตอนนั้นนั่นแหละเมื่อจิตมันว่างจากกิเลสขณะที่มีทุกขเวทนามากจิตความโลภ ก, ก็ไม่มีความโกรธก็ไม่มีความหลง ก, ก็ไม่มีมันว่างเพราะ ม, มีทุกขเวทนาตอนนั้นนิพนธ์อารมณ์นิพพานจะเข้าสิงใจแปลว่าท่านอย่าตายท่านจะเห็นพระเต็มจักรวาลเห็นเทวดาและคมเต็มจักรวาล ถ้าเห็นพระอยู่ขา้างหน้าทุกคนหวังได้ว่าไปนิพพานแน่นอนถ้าเห็นชมอยู่ข้างหน้าก็มีหวังว่าจงไปชมแน่นอนเห็นเทวดานางฟ้าอยู่ขา้างหน้าแสงไปสวรรค์นแน่นอน <c oughs> อลนาลัมณใดยะโยมพุทธวรสัตย์นัยอ่านแสดงว่าธรรมเทสนา ม, มาข อ, อยุติธรรมเทสนาลงคงวอยแต่เพยียงเท่านี้เสียงก็แยกขอแยกเันที ในที่สุดนําประเทศนานี้จะมาเฝ้าขอตั้งสัตยาธิฐานอ้างคนมศิรตตัไตรไมีพระพุทธรัตรนะธรรมรัตรนะและสังฆ ร, รัตรนะท่างสามประการโยโยโดยบรรดารดาและพุทธบริสุทธุท่านมีด้วยความสุขสวัสดิ์พพัฒนะมงคมมลสมบูรณ์ผลผลถ้าจรเจริญไม่ไ้วยจ่ายตัวฤทิ์ตรพอนใช้ทั้งสีประการมีอายุวัานณะโนทาาุกพละเราปฏิภาณ อาปัญนาเสียงใดก็ขอได้ฉึั้นทงของสงฆ์ความปรถนายุทธกการอาจะมาภาดพระชาวิปัสนามาขอยุติปัญราเทศนาลงหงวไวแต่เรื่องนี้คืวังทรมียุทกการเรื่งนี้ท่านไมยังสาธุการังัทธามัเสสาธุสาธุสาธุ